ขอความเจริญในธรรมจง ม, มีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปรโพธิยานในวันนี้ก็คงเป็นการตอบคำถามของท่านที่ถามมาต่อไปท่านถามว่าทำไมาการพิจารณามหาสติปัฏฐานจึงเน้นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมอันนี้เป็นธรรมเทศนาที่เรียกว่าอนุโล ม, มเทศนา คือคล้อยตามพื้นเพจริดอันธยาศัยของผู้ฟังโดยทรงจำแนกพื้นฐานจริตอัธยาศัยของคนไว้เป็นสองข้อใหญ่ๆคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตตัณหาจริตก็คือจิตทเยอทยานอยากดิ้นรนปรารถนาไ ข, ขวยคว้าสุขสัมผัสในลักษณะต่างๆหยาบๆก็สิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุ ที่ละเอียดก็เป็นสุกเวทนาแต่เป็นอาการของจิตที่ไขว่คว้าปรารถนาเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นเพื่อถือครองเพื่อครอบครองสิ่งเหล่านั้นเป็นความรู้สึกประเภทวคว้าเข้ามหาตัวเองคนที่ตัณหาจริตกล้าปัญญามาปัญญาน้อยนะมันจะยึดติดในสิ่งที่เป็นโล ก, กวัตถุ เราเห็นว่าคนบางคนนี่กินป่าเป็นป่าป่าเลยไม่ได้จะไปทำอะไรเสร็จแล้วตัวเองตายก็ทิ้งไว้ในโลกนี้สร้างบ้านได้โต้หมูลานเลยมีสวนมีสนามกอล์ฟมีอะไรตัวอะไรเยอะมากๆเลยนั่นแสดงว่าตัณหาเจริตมันกล้าปัญญาน้อยหรือแต่ที่จะมองโดยเหตุด้วยผลเนี่ยมันก็ไม่ได้มองโดยเหตุด้วยผล คนประเภทนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงในแนวกายานุปัฏนานสถิตฐานที่เราจะต้องปลนปลือเขานะฮะเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยเราก็พยายามที่จะปลนปลือเขาด้วยวิธีการต่างๆพรุทธเจ้าก็สอนในเห็นว่าร่างกายนี้แท้จริงมันก็ไม่ได้สวยงามอะไรเป็นไปนของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกด้วยประการต่างๆแต่ถ้าเร้ดูไปโดยลําดับ เพราะว่ามันมีรายละเอียดอย่างที่แตกต่างกันอยู่ถึงแม้จะริดเหมือนกันก็ตามคนบางคนก็ให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกพอถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นว่าจริงๆชีวิตที่จริงมันขึ้นอยู่กับลมหายใจเข้าออกหายใจข้าไม่ออกถ้ายใจออกไม่เข้ามันก็ตายแล้วหรือถ้ายัางไม่ชัดเจนก็ให้ดูที่ยาบทใหญ่ก็ยืนเดินนั่งนอนเห็นเป็นความเกิดดับ ของเรียบบททั้งหลายลเราจะดับจริงๆในเรียบทใดก็ได้อื่นก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ถ้ายัางไม่ชัดเจนก็แยกร่างกายออกไปเป็นเียบทย่อยทั้งหลายในคะวามักจะเคลื่อนไหวอะไรยังไงก็ตามไม่มีสติระลึกรู้เท่าทันถึงความจริงในขณะนั้นนั้นและประการต่อไปก็คือ แยกร่างกายออกเป็นสามสิบสองส่วนเพื่อเห็นว่าร่างกายเนี่ยเป็นที่รวมของดินน้ําลมไฟอากาศมันสักแต่ว่ากายแต่เป็นที่รวมก็สิ่งปฏิกูลก็เรียกว่ากุอายะคือแหล่งชี้ไปชุมหรือแหล่งรวมของสิ่งปฏิกูลทั้งหลายเพื่อจะบรรเทาความหนาดความเพลิดเพลินในร่างกายลงไปแต่ยังไม่เห็นก็แยกร่างกายเป็นธาตุจีเลยเป็นดินน้ําลมไฟที่ยังไม่เห็นก็ ไปแยกเป็นปาชาเข้าไปศึกษาเรื่องศพชีวิตของคนที่ตายไปแล้วในปาชาเลยแต่ใโบราณมันมีศพให้ศึกษาเพราะว่ามันมีฤทธิศาสนาปาซีหรือศาสนาโซโลอัตเตอร์เนี่ยเขายมทิ้งศพตายใหม่ๆเลยอุ่นๆเลยเอาไปทิ้งเลยไม่นิยมเผา ทุกวันก็ยังมีนะฮะถ้าเราไปอินเดียเนะจะเจอการทิ้งศพในปราชาหรือว่าในเมืองใหญ่ๆก็ไว้บนชั้นสูงสุดบนดาดฟ้าของเพดานของอาคารนะฮะิงไปแล้วอีแรงก็ลงจัดการเรียบร้อยราะก็ไปศึกษาเรียนรู้กับซากศพในปราชาเราดันเพื่อจะบรรเทาความเบื่อหน่ายความกำนัด เพื่อให้เกิดให้จิตแต่มันเกิดเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในกายตนลงไปแต่บางคนบางคนไม่ไปติดที่กายไม่ไปติดที่ของหยาบหยาบแต่ไปติดที่สุขเวทนาต้องการได้รับความสุขในโลกปัจจุบันต้องการความสุขในเทในสวรรค์ต้องการสุขในพรหมโลกตลอดต้องการสุขในนิพพาน ตัณหาจะิตไม่กล้าปัญญาก็แหลมคมขึ้นนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ยังมีความยึดติดในสุกเวทนาที่ตนอยากย่ยาสัมผัสอยากจะแต่กำนัดเพื่อๆพลนยึดจมยิดดีอยู่ในเรื่องดอกนั้นแล้วมาเข้าใจว่าเวทนาเช่นเนี้ยเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผันดำรงอยู่เช่นนั้นชั่วนิรันดร์แล้วก็สอนให้ มาพิจารณาให้เห็นคือเวทนานี่ให้เป็นดูมันเอาว่าจริงว่าเวทนานี่เกิดดับเกิดดับไปตามเหตุปัจจัยมันเอานิยายนอะไรไม่ได้เลยสักข้อเดียวสุขก็ไม่นานทุกข์ก็ไม่นานไม่ทุกข์ไม่สุขก็ไม่นานโสมนัสก็ไม่นานโธมนัสก็ไม่นานสุขกายสุขใจอะไรต่างๆมันไม่นานทั้งนั้นเลแสดงว่าเป็นกระบวนการเลื่อนไหลที่ไม่คงที่เมื่อศึกษาไปแล้วจิตใจก็จะเกิดเปิดนายคลายกำหนัด ในสุขเวทนาอีกอย่างหนึ่งพวกทิฏฐิจดิตทิฏฐิจดิตกล้านะฮะปัญญาไม่มากเท่าไรก็ไปยึดติดในจิตที่ถือว่าจิตนั้นเที่ยงแท้อย่างยืดไม่แปรผันดำรงอยู่เช่นนั้นช่วนิรันดร์แล้วก็แนวความคิดแบบศาสนาพราหมณ์ที่ถือว่า จิตในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเป็นเป็นหน่วยย่อยที่มาจากปรามาตมันหรือมหาตมันแล้วมาสิงสู่กลายเป็นชีวิตทั้งหลายในโลกพอถึงจุดหนึ่งแล้วพวกนี้ก็จะตามตัวบริสุทธิ์แล้วก็ย้อนกลับเข้าไปอยู่รวมกับจิตเดิมที่ตัวแยกมาเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะมองจิตว่าเป็นของเที่ยงแท้ยั่งยืนไม่แปรผัน พระเจ้าก็ทรงสอนให้ดูจิตเหมือนกันแล้วท่านเห็นว่าจิตมันเปลี่ยนแปลงตลอดเลยเปลี่ยนแปลงยิ่งกวเวทนาที่มีราคะไม่มีราคะมีโทสะไม่มีโทสะมีโมหะไม่มีโมหะจิตสงบจิตไม่สงบจิตฟุ้งสัน้นจิตตั้งมัน่นจิตดุดพ้นจากกิเลสไม่ดุดพ้นจากกิเลสพ้นไไดเอานิยายไม่ได้ แล้วก็จะเกิดเบอร า, ายกากำหนัดเช่นเดียวกันทวนที่ต้องสอนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เพราะว่าคนที่ทิฏฐิจริตเขาแก่กล้าปัญญาก็มากนะแต่ว่าก็เกิดยึดติดในธรรมะแล้วถือว่าธรรมะเป็นของแท่งแท้ยั่งยืนไม่แปรผันจะติดอยู่ดำรงมั่นชั่วนิรันดร์ก็ว่ากันไป ก็ส่งสอนให้ดูธรรมะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลแล้วก็กลางๆเห็นว่าธรรมะมันก็มันก็เป็นสังขารนั่นนะฮะเป็นสังขารชนิดหนึเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยเหตุปัจจัยของมันอยู่ในกระบวนการเลื่อนไหลเหมือนกันในที่สุดมันก็จะบรรเทาความยึดติดในธรรมะลงไปแต่บางคราวในทรงแสดงไป ร, รวดเดียวเลย คือหมายความว่าก้าวเดินนำจิตเดินไปเรื่อยๆตามลำดับเป็นกายสี่ชั้นเป็นเวทนาสี่ชั้นเป็นจิตสี่ชั้นเป็นธรรมสี่ชั้นรวมแล้วเป็นสิบหกชั้นก็แสดงจากโครงสร้างของอนาปานัติกรรมฐ า, านก็ต่อไปถามว่า พิธีการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมให้พิจารณาอย่างไรโดยเฉพาะจิตและธรรมคือกายนี่ก็ดูอย่างที่ว่ามาแล้วนะฮะเวทนาก็ดูที่เวทนาซึ่งปรากฏในขณะนั้นเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ไม่ทุกข์ไม่สุขก็รู้มีอมิตรไม่มีอมิตรก็รู้จิตนี่ก็ดูสิ่งที่ปรากฏแก่จิตในขณะนั้นๆสรุปว่าจิตเป็นกุศลหรือเป็นอกุศล ถ้าจิตเป็นกุศลก็พยายามประคับประคองรักษาไว้ถ้าเป็นอกุศลก็พยายามบรรเทาเอากุศลเห่านั้นออกไปแล้วก็ในด้านธรรมะนั้นก็ดูฉันยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างว่าสมมติว่าจะดูนิวรณ์เนี่ยนิวรณ์เช่นว่ากรรมนิชันนิกรรมชันนิวรณ์เกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะเนี้ยกรรมชันนิวรณ์มันเกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่เอเมื่อก่อนมันไม่เกิดเนี่ยมันเกิดมาได้อย่างไง ศึกษาสืบษาว่าอ๋อเนี่ยมันเกิดมาจากอาสุภะสุภะนิมิตคือกำหนดว่ามันสวยงามกำหนดว่ารูปสวยเสียงไพเราะกลิก่นหอมรสอร่อยสัมผัสน่าจับต้องเออมันเกิดขึ้นแล้วทำยังไงจะบรรเทาได้นะก็รู้แล้วก็บรรเทาได้ก็คือมองในแนวของอสุภะคือไม่สวยไม่งามเพื่อจะผ่อนคลายความกำหนัดความยึดติดลงไปแต่ว่า กิเลสมันไม่หมดหรอกเพียงแต่ว่าสงบกิเลสลงไปได้แล้วก็ศึกษาต่อไปว่ากรรมฉันนิวร์ที่ละได้แล้วเนี่ยทำยังไงจะไม่เกิดขึ้นมาอีกอันนี้เรื่องใหญ่แล้วทีนี้เพราะว่าจะไปละ้าจริงๆเนี่ยมันต้องเป็นระดับพระยะบุคคลถ้าสามัญชนทั่วไปไม่มีใครก็ไปละได้หรอกหรือว่าในฝ่ายของกุศลอ่ะเช่นสมมติว่า ไปดูในพจนชมสติสำมิชงเกิดขึ้นก็รู้นะที่ยังไม่เกิดขึ้นจะเกิดขึ้นโดยประการใดก็รู้เกิดขึ้นแล้วจะรักษาวไว้โดยประการใดก็รู้และจะดำรงอยู่อย่างมั่นคงยังไงก็รู้เนี่ยก็ดูไปแล้วก็ปฏิบัติไปตามเหมาะตามควรแก่กรณีเหล่า น, นั้นก็ต่อไปท่านถามว่าท่างกายเวทนาจิตและธรรมเนี่ยมีหลักการ พิจารณาความสัมพันธ์กันว่าอย่างไรคือโดยธรรมชาติเนี่ยมันสัมพันธ์กันแต่หมายความว่าเราจะต้องเริ่มที่จุดใดจุดหนึ่งตามหลักที่ทรงแสดงเนี่ยก็คือเริ่มที่อนาปานสติพอเริ่มที่อนาปานสติแล้วเนี่ยจิตมันก็จะเดินไปตามลำดับจะมีความประณีตขึ้นไปโดยลำดับเช่นในช่วงแรกก็ดูลมหายใจเข้าออก ก็ดูลมหายใจเข้าออกไปถึงจุดหนึ่งก็เราเห็นว่าลมหายใจเข้าออกมันก็สงบลงไปสงบลงไปก็ไปดูที่กองลมในขณะหายใจเข้าและหายใจออกก็ดูไปเรื่อยๆในกองลมเนี่ยฮะทีนี้ถ้าหากว่ากองลมมันเกิดสงบขึ้นมากองลมเกิดสงบขึ้นมาก็ไปดูที่กองลมซึ่งสงบ ประดูกองลมที่ที่สงบจากนั้นก็จะมีอะไรเกิดขึ้นนะมีอะไรเกิดขึ้นในในในจิตใจของผู้ปฏิบัติก็รู้ไปตามนั้นไปโดยลำดับเราจะเห็นว่าที่ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยก็ก็จะนำข้อความที่เป็นพระบาลีพุทธวจะนะมาให้ดูนะฮะว่าดุก่อนพิสูุน์ทั้งหลาย ภิกษุในธรรมีในนี้เข้าไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคดไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคู่บรรลังตั้งกายให้ทรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจเข้าย่อมมีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจเข้ายาวหายใจหรือหายใจออกยาวก็รู้ว่าขณะนี้เราหายใจออกยาวหายใจหาย ก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าเราหายใจออกสั้นย่อมสาเหนียกว่าเราจักกาหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้ากาหนดกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสาเหนียกว่าเราจักสงบกายยสังขารหายใจเข้าสงบกายยสังขารหายใจออกตอนนี้ก็มาอยู่ที่ที่กายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นนะครับ แล้วก็สงอุปมาว่าตุกขอนภิกษุทั้งหลายแม่ฉันใดนายช่างกลึงและลูกมือกคนนายช่างกลึงเนี่ยเมื่อชักเชือกกลึงยาวก็รู้ชัดว่าชักเชือกกลึงยาวเมื่อชักเชือกกลึงสั้นก็รู้ชัดว่าชักเชือกกลึงสั้นภิกษุก็ฉันนั้นแหละเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้น ย่อมสำเหนียกว่าเราจักกำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจเข้าย่อมสำเนียกว่าเราจักกำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงหายใจออกย่อมสำเนียกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกเมื <ffe> ่อพิสูจพิจารณาอยู่อย่างเนี้ยแล้วในที่สุดเนี่ยถึงจุดหนึ่งใ น, ในอาการของเวทนาก็าจะปรากฏขึ้น อาการของเวทนาเช่นความสุขอะไรต่ออรตางๆเนี่ยจะปราดขึ้นเราก็ดูตามไปไปไปเรื่อยๆตามตามที่ที่ปรากฏอ่ะคือหมายความว่าหน้าที่ของเราเนี่ยก็อยู่กับอารมณ์กรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งเช่นมาดูที่ลมหายใจเข้าหายใจออกคือถ้าแกไม่เปลี่ยนแปลงไปอย่างอื่นมันก็ดูอย่างนั้นแหะก็อยู่ที่หายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นเมื่อ ถึงจุดหนึ่งเราก็ดูที่กองลมลมตั้งขึ้นมาลมที่กระทบปลายจมูกหรือว่าช่องจมูกและริมคีบปากแล้วก็เข้าไปแล้วก็มองสา่ามองตามในลักษณะมองตามจะมองตามอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าลมหายใจมันสงบกิเอย่างสังขารสงบก็ดูที่ลมหายใจสงบทีนี้สงบแล้วมันอาจจะเกิดเกิดสุขขึ้นมาก็แสดงเป็นเบชนะก็ดูที่สุกมันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ย เพราะมันเป็นสัมพันธ์กันเองทำนองคล้ายๆกับเราปลูกต้นไม้แล้วเจริญเติบโตแล้วมันก็เชื่อมโยงกันเองเชื่อมโยงกันเองโดยธรรมชาติของมันแต่เราไปเร่งรัดมันไม่ได้อะนะฮะไปเร่งรัดมันไม่ได้เราก็มีหน้าที่ดูมันไปเรื่อยๆตามที่มันปรากฏแต่ถ้าหากว่าตกไปในฝ่ายของอกุศลก็พยายามบรรเทาตกในฝ่ายกุศลก็พยายามรักษาไว้ก็ต่อไปถามว่าการฟุ้งสั้น จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรเคยตั่งสมาธิและกําหนดดูจิตมันก็ไม่สงบมีวิธีอย่างไรที่จะให้จิตสงบอันนี้ต้องหัดลองนับลมหายใจเข้าออกกันนะฮะลองหัดนับลมหายใจเข้าออกดูแต่ว่าความคุ้งสั้นเนี่ยมันเป็นอาการของจิตที่มันมันไม่ชัดเจนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพราะันจะต้องมีการศึกษามีการสดับจับฟังมากแล้วก็มันสาธยายคบหากับท่านที่เจริญในด้านวิชาการความรู้แตกฉานชำนิชํำนานในวินยัยนะแล้วก็ตนเองก็มันมันพินิจพิจารณามันระลึกอยู่ในเรื่องนั้นๆแล้วก็คบหากับการละยานมิตรเรื่องใหญ่นะฮะการละยานมิตรในเรื่องใหญ่แล้วก็คุยกันเป็นเรื่องที่สบายสบายนะ ความพุ่งสร้างมันมันจะสงบเราลองดูว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เราสนใจแล้วใจจะสงบอยู่กับเรื่องเดียดนั้นเพระแต่เราคุยเรื่องสบายๆแล้วใจมันไม่แล่นมันไม่พุ่งก็จะบรรเทาลงไปตัวการตําคัญมันมาจากเจตสุวะวูปัสมะคือจิตมันไม่ยอมสงบทีนี้เมื่อจิตไม่ยอมสงบ ป, ปัญหาว่าทำยังไงให้จิตสงบเมืาขึ้นอยู่กับความถนัดของเราว่าเราจะใช้อะไรใี่ทาจิตให้สงบ แนวนาปาณสตินี่เป็นแนวโดยเฉพาะคือพวกฟุ้งซ่านก็คือพวกวิตกจริตก็พวกโมห oh จริตนะฮะจะหนักเพราะเราก็เอามาตั้งสตินับอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกแนวการนับลมหายใจเข้าออกเนี่ยเป็นแนวที่ช่วยในตอนตอน้ตนๆได้มากนะอย่างบางทีบางคนบางกลุ่มแม้แต่ประเทศไทยเราในที่นับรูกประคำเนี่ย โดยเห็นว่ารูปประคํามันมีร้อยแปดลูกเราต้องนับให้ลงร้อยแปดลูกตลอดก็แสดงว่าไม่เผลอเรอไม่หลงเรือไม่เลอะเลือนไม่พลังพลาดแล้วก็ปกคุณกับการนับลูกประคําแล้วก็อาจจะนับลมหายใจเข้าออกนับหนึ่งสองสามสี่ไปก่อนไปถึงร้อยหนึ่งแล้วก็นับหนึ่งใหม่ก็กลับมาที่ร้อยหนึ่งกลับหรือไปที่ร้อยแปดก็ได้นะฮะแต่ว่าไม่ไม่มีวัตถุสมบ ไปจับไว้ในขณะนั้นแล้วต่อมาก็หัดนับลมหายใจเป็นคู่คู่หายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับหนึ่งหายใจเข้านับสองหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสามหายใจเข้านับสี่หายใจออกนับสี่หายใจเข้านับห้าหายใจออกนับห้าแล้วก็นับใหม่หนึ่งหนึ่งใหม่หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้ากกแล้วหนึ่งหนึ่งใหม่ถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งใหม่ถึงแปดแ่หนึ่งใหม่ถึงเก้าหนึ่งหใหม่ถึงสิสบหนึ่งหนึ่งใหม่ถึงห้าห้า เราฝึกนับอย่างเนี้แล้วก็ตั้งสติแล้วลึกดูนะฮะเราจะเห็นว่าบางครั้งมันมีปัญหาในช่วงการนับแล้วมันเป็นวินาทีแล้วหลายวินาทีแล้วโดยบางบางบางครั้งจะงักบางครั้งก็เผลอบางครั้งก็พลาดไปนะบางครั้งก็ลืมไปเนะี่ยแต่อุบัติเหตุเน่มันเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเรานับพลั้งพลาดนับเผลอหรือไป เ, เช่นสมมติว่าในชุดแรดเราจะนับถึงหนึ่งถึงเจ็ดเจ็ดมันเกิดลังเลตอนหกกเอะมันหกหหรือ 7, 7. เจ็ดเจ็ดไอ้ลังเลขนาดนั้นในหลายวินาทีแล้วนะหรือเผลอไปเจ็ดเจ็ดแล้วก็ไปชะงักที่เจ็ดเจ็ดเอมันเจ็ดเจ็ดหรือแปดแปดหรือเผลอพูดไปเป็นแปดแปดคือแต่แต่แต่ละจุดเนี่ยแสดงว่ามันมีความเผลอหรือ เ, เราก็ต้องพยายามนับให้มันชำนิชำนาน คืออย่าใจร้อนก็นแล้วกันนะว่าเราบาังคับไปแกนิ่งไม่ได้หรอกเพราธรรมชาติแกไม่นิ่งจิตนะไม่นิ่งจิตดิ้นรนกัดแวงห้ามยากระกษายากมักสายไปในรมที่ใคร่เพราะงั้นผู้ที่ต้องการฝึกจิตก็ต้องอดกลั้นอดทนก็ฝึกกันไปทําไปเท่าที่จะทําได้นะแต่ว่าจะเป็นเล็งผลเล่จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นนะ่ะตามที่เราต้องกา ร, รนไปไม่ได้หรอก อาการต่อไปท่านบอกว่าการที่มีอาการเซง็งเซ็งเบื่อเบื่ออยู่ไปวันวันทำงานไปเรื่อยๆไม่มีเป้าหมายในชีวิตท่านจะมีวิธีแก้ไขหรือแนะนำยังไงนี่เป็นอาการของฉี่น้มิทานนะคที่น้มิทานนั้นมันเกิดมาจากจิตที่มันหดหู่แล้วก็ขาดความกระปรี้กระปล่าขาดความกระจับกระเฉงขาดความคล่องแคล่ว เสื่องซึมหงอยเหงาหดถูเคอบเคลิ้มจุดชื้เหนื่อยนายชาเจน็นเซ็งหมดอะไรตายยากมันเหมือนคนติดคุกอะเหมือนคนติดคุกน่ะติดจนเซ็งไปเลยแล้วก็อยู่ไปแกนแกนอยู่ไปวันวันอน่างนะบางครั้งบางคราวก็เมื่อรลอยไปเลยนั่นก็แสดงว่าเป็นอาการที่เซ็งกับชีวิตแล้วหมดอะไรตายยากกับชีวิตแล้ว วัานอาการเหล่าเนี้ยเราจะต้องมีวิธีแก้คือทํำยังไงว่าทีนัมิทธะบันเกิดในจะากจิตโหดถูโหดถูก็ต้องทําให้จิตกล้าหารมีทํางานมีทําการมีการแข่งขันกันมีการเล่นมีการวิ่งมีการรอะไ ร, ต, รต่างๆให้รู้สึกมีการแข่งขันมีการต้องการเดี๋ยวชนะกันต้องการจะต่อสู้แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ชกต่อยกันนะฮะ คือต้องการจะพิสูจน์ความรู้ความสามารถแล้วในที่สุดมันกต้องปรับสภาพตัวเองก็เรียกว่าปรกกรมะมีความบากบันมีอุตสาหะมีความอุตสาหะมีวายาโ ม, มความพยายามพยายามไม่อารัฐวิริโยกันอยู่ด้วยความเพียรพยายามมันจะเกิดขึ้นแล้วในที่สุดนี้จิตใจก็จะเข้มแข็งขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยนแนวของถีดามิธา เป็นในการซึมซึมเรื่อยเฉยๆนะเซ็งๆอย่างที่บอกเนี่ยหมดอะไรตายยากในชีวิตโรคหลังนี้เขาเรียกอย่างหนึ่งนะฮะเขาพูดว่าเป็นโรคเฉาตายคือบางทีมันเฉาไปเฉยๆเป็นหมดอะไรตายยากในชีวิตต้อเก็บกดจนเซ็งจนเฉาไปตายมีคนเคยเล่าให้ฟังว่ามีคนคนหนึ่งไประแวงสงสัยสามีว่า ไปมีหญิงอื่นเนี่ยพอเพื่อนมาบอกแกก็ปรุงคิดคิดปุงปุงคิดคิดปุงปุงคิดคิดปรุงอย่างนั้นนอนหมดอะไรตายอยากสามีไปราชการต่างจังหวัดทางภาคเหนือแกก็นอนปุงอย่างงั้นเนี่นอนปุงอย่างงั้นก็เข้าใจว่าไปอยู่กับแฟนอย่างงั้นอย่างนี้อย่างโ น, น้นแกก็ชินธนาการอะไรเองผลวันท้ายเข้าปลาไม่กินก็นอนแชะอยู่ในบนที่นอนนั่นเองกลับมาเจ็วันเนี่ยก็ตายแล้ว ก็นอนเฉาตายไปเฉยเชยเฉาตายไปดื้อเวลาเขาพูดก็ไม่ค่อยเชื่อเขาเลยเขาเล่าเรื่องให้ฟังขึ้นมาอีกสองสามเรื่องเออมันก็เข้าทีเหมือนกันแล้วเราก็เคยเจอในหนังสือนะฮะวนนรรณคดีจีนเราเจอไอ้โรคอย่เนี้ยมันคนซึมเศร้าแล้วก็ตายไปดื้อเวลาเนี้ยอาการเหล่านี้ก็มีอยู่มากเพราะฉะนั้นมันต้องปฏิบัติค่ะอย่าให้จิตมันหดหู่กันแล้วกัน